เพื่อบรรลุยายธรรมอันประเสริฐคำว่ายายธรรมนั้นท่านแก้ว่าได้แก่การรู้หลักของปฏิจจสมุปบาทคำว่าปฏิจจสมุปบาททรงใช้ในที่ต่างๆที่ปรากฏแพร่หลายก็มีอยู่สามคำด้วยกัน คำแรกคือปฏิจจสมุปาทแปลว่าสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นคือหมายความว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นเหตุเป็นผลของการอะไกันสืบต่อกันไปสิ่งหนึ่งในช่วงหนึ่งเป็นเหตุแต่อีกช่วงหนึ่งก็กลับเป็นผลได้แล้วตัวผลนั่นเอง ก็จะกลับเป็นเหตุได้อีกต่อหนึ่งอีกคำหนึ่งเรียกว่าปัจจัยาการคือสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นดับลงการเกิดขึ้นต่อไปก็หมดสิน้นข้อนี้พึงเห็นตัวอย่างการปลูกพืช เอ า, มาเมล็ดพืชลงไปปลูกแต่ละมเมล็ดนั้นถ้าเหตุปัจจัยให้งอกหมดไปมเมล็ดพืชเหล่านั้นถึงแม้จะนําไปปลูกก็งอกไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยให้งอกได้ถูกทําลายลงไปแล้วอีกประการหนึ่งเรียกว่าอิทับปัจจยตาซึ่งแปลว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยจึงเกิดสิ่งนี้ เพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเขาเป็นการพูดในลักษณะนิยามความหมายสั้นๆแต่เป็นการแสดงเห็นว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ตกอยู่ในกฎเกณฑ์ของเหตุปัจจัยคือเป็นเหตุเป็นผลกัน คำสอนในทางพระพุทธศาสนาจึงสรุปลงด้วยคำว่าทำทั้งหลายเกิดมาแต่เหตุพระตถาคตเจ้าสเหตแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะมีปกติจัดอย่างนี้ตัวอย่างเรื่องของเหตุปัจจัยนั้นพึงเห็นในชั้น ของสกุลวงคือการสืบสายสกุลวงอย่างสายของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเราอาจจะตั้งต้นมาที่พระเจ้าสี ห, หานุซึ่งเป็นพระอัยกาของพระพุทธเจ้าและเรียงมาตามหลักของปฏิยาการหรือปฏิจจสมุปบาทก็ได้ความว่าเพราะพระเจ้าสี ห, หานุปมีพระเจ้าสุดโทธนะจึงมี พระมีพระเจ้าสุโธธนะเจ้าชายสิทธัตถะจึงมีพระมีเจ้าชายสิทธัตถะพระราหุนจึงมีแต่เนื่องจากพระราหุลท่านออกบวชบรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์ไปการสืบสายศักยวงศ์สายของพระพุทธเจ้าจึงขาดคือดับไปไม่มีการสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันอย่างสายอื่น และข้อที่ควรสังเกตก็คือว่าตัวการสำคัญที่ให้สืบสายออกปาเป็นรูปของวัตจักนั้นได้แก่กิเลสพระราหุลท่านหมดกิเลสเพราะได้บรรลุอาสวัคยานสายนี้จึงจบสิ้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วแม้ในเรื่องอื่นๆที่รู้กันแพร่หลายเช่นพวกนิทานสุภาษิตอะไรต่างๆ แต่ละอย่างก็เกี่ยวข้องมากรับเภทปัจจัยทั้งนั้นยังยกตัวอย่างเช่นเรื่องสุนัขอยู่ในรังหญ้าซึ่งเป็นอิทธานสุภาษสิทธทิรู้กันสุนัขอยู่ในรังหญ้านั้นเป็นปัญหาที่บานปลายออกมาถึงการส่งข้าวออกต่างประเทศของพ่อค้าได้ขาดแคลนลง ก็สืบสาวไปในต้นต่อเรียงตามลำดับไปว่าทำไมการสงฆ์สงข้าวออกจึงน้อยก็ตอบได้ว่าเพราะการผิดมาหน้อยถามไปอีกทีหนึ่งว่าทำไมการผิดจึงน้อยเพราะว่าจํานวนข้าวน้อยถามว่าจํานวนข้าวทำไมจึงน้อยเพราะไถานาได้น้อยทำไมจึงไถานาได้น้อยเพราะโคไม่มีแรง ทำไมโคจึงไม่มีแรงก็เพราะโคไม่ได้กินหญ้าทำไมโคจึงไม่ได้กินหญ้าเพราะว่าตอนกลางคืนสุนัขไปนอนอยู่ในรางหญ้าโคกินหญ้าไม่ได้มันก็บานปลายออกมาเป็นรูปของวัตจักรที่ท่านเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่คือเกิดสืบเนื่องกันไปแล้วตัวการสําคัญจริงๆนั้นจึงอยู่ที่สุนัขนอนในรางหญ้า ก็ได้แก่กิเลสตัณหานั่นเองถ้าหากว่าจะแก้ไขก็มาแก้ในจุดนี้แล้วกระบวนการทั้งหลายก็จะเดินไปในสายใหม่หรือว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นแก่นักเรียนสักคนหนึ่งหรือว่าแก่ใครก็ตามเช่นว่าไม่มีความมั่นใจในการสอบแล้วลองสืบสาวดูไปว่าทําไมจึงไม่มั่นใจในการสอบ เราก็จะได้คำตอบไปเป็นช่วงๆว่าที่ไม่มั่นใจในคำสอบนั้นเพราะไม่เชื่อว่าจะสอบได้จะตอบคำถามได้ถามว่าทำไมจึงไม่เชื่อว่าจะตอบคำถามได้ก็จะได้คำตอบว่าเพราะเนื้อหาวิชาที่เรียนมานั้นไม่ค่อยรู้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งจ้าถามว่าทำไมจึงไม่ค่อยรู้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเพราะว่า สนใจในการเรียนน้อยทำไมจึงสนใจในการเรียนน้อยเพราะขี้เกียจก็ออกมาในรูปของกิเลสเป็นต้นเหตุที่สร้างความไม่มั่นใจให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนแม้ในเรื่องอื่นก็ทํานองเดียวกันประการสําคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทนั้นบุคคลจะต้องโยงเข้าไปหาเหตุในสายของมัน อย่าให้ไปหลงสายหลงทิศทางก็ถ้าหากว่าหลงสายหลงทิศทางแล้วการจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะแก้ไม่ได้สูตรนี้ก็คือสูตรของอริยสัจนั่นเองโบราณท่านเรียกว่าอริยสัจใหญ่แล้วก็เรียกอริยสัจว่าเป็นอริยสัจเด็กความสนใจของคนที่ศึกษา หลักธรรมในทางพระพุทธศา ส, สนานั้นทางซีกโลกตะวันตกให้ความสำคัญแก่ปฏิจจสมุปบาทสูงทางเอเชียเราให้ความสำคัญแก่อริยสัจสูงทั้งนี้เมื่ออธิบายแล้วก็ลงการสมกันแต่เป็นหลักการที่ทรงแสดงคนละรูปเท่านั้นเอง ปฏิจจสมุปบาทเป็นการแสดงในรูปของปจัจจาในรูปของเหตุของปัจจัยอริยศัสตร์เป็นการแสดงในรูปของการประพฤติปฏิบัติเรื่องการศึกษาให้เข้าเหตุให้เข้าใจในเหตุในปัจจัยต่างๆนั้นจะช่วยให้บุคคลสามารถบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนได้ เรื่องปฏิจจสมุปบาทเมื่อเรากล่าวโดยสรุปแล้วก็แบ่งออกเป็นองค์ธรรมสามกลุ่มด้วยกันคือกลุ่มแรกได้ แ, แก่พวกกิเลสกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่กลางๆคือไม่ดีไม่ชั่วอะไรแต่พร้อมที่จะดีและจะชั่วตามพื้นจิตของบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นกลุ่มที่สมนั้นเป็นผล ที่จะเกิดขึ้นมาจากการกระทาของบุคคลผู้ยังมีกิเลสอยู่ภายในจิตใจเวลาท่านเรียงลำดับถึงแม้ว่าจะออกจากฟังยากอยู่บ้างท่านก็เรียงว่าเพราะอาวิชชาคือความไม่รู้เป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารได้แก่ความดีบ้างความชั่วบ้างหรือว่า เป็นพวกฌานพวกสมาบัติบ้างพระสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาเพราะวิญญาเป็นปัจจัยจึงเกิดเป็นนามก็เป็นรูปขึ้นมาคำว่านามรูปนั้นก็ได้แก่ชีวิตร่างกายของบุคคลนั่นเองส่วนที่เป็นรูปคือส่วนที่เราสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายส่วนที่เป็นนามก็คือส่วนที่เราสัมผัสได้ด้วยใจ เมื่อมีนามรูปขึ้นมาก็มีอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายขึ้นพอมีอายตนะก็มีผัสสะคือการกระทบได้แก่ตาเห็นรูปคือตามากระทบกับรูปก็ปกเกิดวิญญาณขึ้นก็ทำให้รู้ว่ารูปนั้นรูปคนรูปสัตว์รูปสิ่งของเป็นต้นเมื่อกระทบขึ้นแล้วก็่อให้เกิดเป็นเวทนาขึ้นคือความสวยอารมณ์ ฉันยกตัวอย่างว่าเห็นรูปที่ดีก็เกิดสุขเวทนาเห็นรูปที่ไม่ดีก็เกิดทุกขเวทนาเห็นรูปที่กลางๆ ก, ก็เกิดกลางๆขึ้นแต่ว่าการจะเกิดเวทนาอะไรนั้นก็ต้องอาศัยปัจจัยสองประการคือสิ่งที่มากระทบจากภายนอกแต่แก่รูปเสียงเป็นต้นและเชื่อความรู้สึกภายในจิตใจของบุคคล ที่เก็บภาพเหล่านั้นเอาไว้ในฐานะอะไรเพราะาการจะรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ได้นั้นภาพนั้นจะต้องมีเสื้ออยู่ภายในใจของบุคคลได้ถ้าไม่มีจะไม่เกิดความรู้สึกในทางชอบและไม่ชอบแต่อาจจะรู้สึกเฉยๆได้พระเวทนาเป็นปัจจัยก็เกิดตัณหาขึ้นมาคือความทะเยอทยานอยากไปด้วยประการต่างๆ เช่นถ้าหากว่าเป็นสุขก็ขถ้าเยอทยานอยากได้ความสุขเหล่านั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าหากว่าเป็นทุกข์ก็เกิดวิภาวะตัณหาคือปฏิเสธความรู้สึกเหล่านั้นไม่ต้องการจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์กับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเกิดเป็นตัณหาขึ้นมาก็ออกมาเป็นรูปของอุปาทานคือความยึดถือข้อนี้ลองสังเกตดูว่าสายของปฏิจจสมุปบาท สายสั้นๆที่เกิดขึ้นในช่วงของความคิดแต่และช่วงเช่นว่าไปเห็นวัตถุสิ่งของอย่างหนึ่งที่มีค่าขึ้นมาก็เกิดเป็นการกระทบของอายตนะดังที่ได้กล่าวแล้วแล้วเกิดสุขเวทนาคือความยินดีความพอใจในสิ่งนั้นการมาตัญหาคือความทยานอยากในสิ่งนั้นก็เกิดขึ้น จนเพียรพยายามแล้วก็ได้มาก็ยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นของเรามีการทะนุถนอมผงแขนมีการชื่นชมมีการรักษาป้องกันไม่ต้องการให้คนอื่นเข้ามายื้อแย่งเข้ามาถือสิทธิ์ในสิ่งเหราดั น, นพอเกิดเป็นอุปาทานคือความยึดถือขึ้นมาในลักษณะนี้ก็ออกมาเป็นภพคือความมีความเป็น ความมีความเป็นก็แบ่งออกเป็นสองช่วงคือช่วงของความคิดช่วงหนึ่งได้แก่ความคิดเป็นเราเป็นเขาและอีกช่วงหนึ่งก็คือสถานที่ที่สัตว์จะต้องไปอุบัติเมื่อเกิดมีพบก็กลายเป็นชาติคือความเกิดขึ้นมาตามสมควรแก่กรรมปอกมาเป็นชาติชรามรณะก็ติดตามมาจากความเกิดเป็นเหตุ ก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าหลักการแสดงของพระพุทธเจ้านั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคนฟังเป็นยังไงบางคราวจะตัดช่วงของปฏิจจสมุปบาทมาแต่ละช่วงหรือว่าแต่ละอันเท่านั้นแสดงให้ประจักษ์ชัดในจุดนั้ น, น, นพระผู้ฟังสามารถเข้าใจได้เฉพาะส่วนนั้นเท่านั้นเวลาทรงแสดงจึงมีหลักอยู่สแบบด้วยกัน แบบแรกแสดงตั้งต้นมาจากอวิชชามาเดินแถวไปหมดเลยทั้งสิบสองข้อตามลำดับแบบที่สองนั้นแสดงจากปลายคือพระชาติชรามี เ, าเพราะความแก่มีชาติจึงมีพระชาติมีภพจึงมีเป็นต้นก็ย้อนไปจากปลายไปหาต้นอีกทีวิธีที่สองนั้นวิธีที่สามนั้นแสดงที่ตรงกลาง ส่วนมากจะเริ่มที่เวทนาหรือผัสสะแล้วก็ย้อนเข้ามาที่ปลายคือมีเวทนาก็มีตัณหาเป็นต้นและบางทีก็จับตรงกลางนั้นเองแต่ย้อนก็ไปหาต้นไปจบลงที่อวิชชาท่านอุปมาเหมือนกับคนตัดหวายหรือไม้เลือ้อยต่างๆคือบางคราก็อาจจัตัดจากโคนแล้วก็ดึงมาเอาทั้ง ทั้งเส้นเลยบางทีก็ตัดไปจับมาจากปลายแล้วก็ดึงมาตัดที่โคนบางทีก็ตัดตรงกลางดึงดึงจากปลายหรือว่าดึงจากโคนก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของบุคคลนั้ น, น, นเป็นประการสำคัญเรื่องของแนวปฏิจจสมุปาตเมื่อกล่าวโดยสรุปก็ออกมาเป็นรูปของวัตตะที่พูดกันว่าวัตตะจัก คือการหมุนเวียนอยู่ในสังสารวัฏของคนและสัตว์ทั้งหลายข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเราและเธอทั้งหลายไม่รู้แจ้งซึ่งปฏิจจสมุปบาทจึงต้องท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเป็นอันมาก นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงรูปของวัตจักรคือรูปของการอุบัติบังเกิดแทงสัตว์ทั้งหลายว่าปัจจัยสำคัญที่สุดก็อยู่ที่เรื่องของกิเลสได้แก่อวิชาตันหาอุปาทานที่เห็นได้ชัดๆสตา์ใดที่มีอวิชาตันหาอุปาทานอยู่ก็เปรียบเหมือนกับพืชที่มียางเหนียวอยู่แล้วก็สังขาร คือได้เก็บบุญบ้างบาปบ้างหรือว่ารูปไปฌานบ้างพวกนี้ถึงแม้ว่าส่วนที่เป็นบุญกับส่วนที่เป็นฌานจะเป็นความดีก็ตามแต่ว่าเป็นความดีที่ทำให้คนเกิดในภพที่ประณีตขึ้นเท่านั้นเองเมื่อมองกันในสายตาของพระอระหันต์ท่านก็ยังเห็นว่าเป็นความทุกข์อยู่ เพราะยังมีความเกิดอยู่สาบใดจะแก้ไขความทุกข์ไม่ได้ราบนั้นปัจจัยทั้งสองประการนี้ส่วนที่เป็นบุญเป็นบาปที่ท่านใช้คำมาสังขารนั้นจึงเปรียบเหมือนกับดินหรือความชื้นหรืออุณหภูมิที่เหมาะสมที่ก่อให้มเมล็ดพืชงอกขึ้นได้พอสองประการนี้ ยังมีอยู่ก็ก่อให้เกิดเป็นหน่อคือวิญญาณขึ้นมาดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่ากำมังเขตตังมีกรรมนั้นเป็นเหมือนกับเนื้อหนามตัณหาสินเนหังเป็นตัณหานั้นเปรียบเหมือนกับยางเหนียววิญญาณนางบีชังวิญญาณนั้นเปรียบเหมือนพืชข้อนี้เป็นการแสดงในรูปของนามธรรมล้วนๆหรือไม่ได้ เกี่ยวกับส่วนที่เป็นรูปประทัส่วนที่เป็นรูปประทัก็ทรงแสดงไว้เช่นที่ทรงแสดงไว้ในมหาตัญหาสังกยสูตรวในกรณีที่สัตว์บังเกิดในคันมันดามีมระดูมันดาบิดาร่วมกันคันทัพโพถือปฏิสนธิในคันคำว่าคันทัพโพนั้นคือกลุ่มนามที่รวมเอากิเลส และวิญญาณเข้ามาประกอบกันก็ได้ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกก็กลายเป็นการอุบัติบังเกิดในกำเนิดในคติในภพนั้ น, น, นแล้วเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วก็กรอเป็นรูปกับเป็นนามขึ้นมาไอ้รูปนั้นจะเริ่มขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆตามการเวลาซึ่งวิชาพระพุทธศาสนาและวิชาแพทย์นั้นก็ตรงกัน ในที่สุดก็จะออกมาเป็นรูปของมีอายตนะคือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจพร้อมบริบูรณ์เมื่ออายตนะเหล่านั้นใช้ได้ก็มีการเห็นรูปด้วยตาเป็นต้นนี่ก็แสดงว่าออกมาเป็นรูปของชีวิตแล้วแต่วนันในขณะเดียวกันเชื้อภายในจิตของบุคคลที่เกิดมาจากกวิชานั้นก็แสดงว่ามีตัณหามีอุปาทาน อยู่ภายในใจด้วยที่ท่านใช้คําว่าอาสวะคือกิเลสที่หมักดองอยู่เพราะฉะนั้นเชื้อเหล่านั้นเมื่อบุคคลเห็นรูปด้วยตาเป็นต้นก็แสดงออกมาโดยในลักษณะดังที่ได้กล่าวไปแล้วคือพอใจบ้างไม่พอใจบ้างกลางๆบ้างตามอํานาจของเชื้อภายในกับปัจจัยภายนอกที่ท่านใช้คําว่าสภาพกันคือพวกเดียวกัน หมายถึงว่าถ้าบุคคลเก็บรูปนี้ไว้ในฐานะที่น่ารักน่าพอใจเห็นกี่ครั้งก็จะเกิดความรู้สึกอย่างนั้นทุกทีแต่ในตำนองเดียวกันถ้าเก็บรูปอย่างหนึ่งไว้ในฐานะไม่น่าใครไม่น่าพอใจจะเห็นกี่ครั้งก็เกิดความไม่พอใจทุกทีเหมือนกันแต่ว่าทุกครั้งที่เกิดความพอใจและไม่พอใจนั้นปริมาณของกิเลสมันก็เพิ่มขึ้น ในกรณีที่พอใจปริมาณกิเลสสายความโลภ ก, ก็เกิดขึ้นกรณีที่ไม่พอใจปริมาณกิเลสสายความโกรธก็บังเกิดขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เพิ่มความเข้มข้นให้แก่กิเลสสายที่เป็นโมหะคือเพิ่มความเข้มข้นให้แก่อวิชานั่นเองลักษณะของชีวิตก็หมุนเวียนกันอยู่จากนี้ เมื่อท่านแบ่งออกเป็นช่วงนั้นท่านแสดงว่าอาวิชากับสังขารเป็นอดีตเหตุคือเป็นเหตุที่บุคคลสร้างสมอบรมมาในอดีตเรื่องกิเลสก็มีมานานแล้วสืบต้นต่อไปเท่าไหร่ก็ไปเจอวิชาทุกทีเมื่อมีกิเลสอยู่ก็บุญบาปก็เหมือนกันก็มีมาแล้วในอดีต การเกิดมาในพบหนึ่งในชาติหนึ่งนั้นก็เป็นการเพิ่มขึ้นทั้งบุญและบาปก็แล้วแต่อัธยาศัยของบุคคลบางคนเพิ่มบุญมากจิตใจก็มีความสงบมีความประณีตขึ้นแต่ถ้าเพิ่มบาปมากอาการที่แสดงออกก็เป็นไปตามอำนาจของอกุศลของบาปที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลนั่นและเมื่อสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่สาบใดเหมือนกับ อย่างเหนียวภายในพืชกับแผ่นดินยังมีอยู่จับใดเนี่ยหนอของพืชก็ต้องแตกออกจากนั้นแล้วกระบวนการทั้งหลายก็เดินไปโดยวิธีนี้เพราะงั้นวิญญาณที่ทรงใช้ในที่นี้จึงหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณคือวิญญาณที่ถือปฏิสนธิในกําเนิดต่างๆและกําเนิดที่ไปถือปฏิสนธินั้นก็ทรงแสดงไว้สี่กำเนิดด้วยกัน คือเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในสิ่งสกปรกและเกิดโดยผุดขึ้นที่เรียกว่าโอปปาติกะกำเนิดเหล่านั้นมีอยู่สประการโดยที่ทรงแสดงเอาไว้และได้โปรดเข้าใจว่าคําว่าความเกิดที่ทรงใช้ในปฏิจจสมุปาตนั้นไม่ได้หมายเอาความเกิดของขณะจิตเช่นว่าเกิดโรคเกิดหลงเกิดเกิดอิจฉาริสยานั้น ก็เป็นความเกิดของอารมณ์แต่ไม่ใช่ชาติคือความเกิดที่ทรงแสดงไว้ในปฏิจจสมุปบาทชาติคือความเกิดในปฏิจจสมุปบาทนั้นทรงไขออกไปคืออธิบายออกไปชัดเจนว่าชาติคือความเกิดได้แก่การปรากฏการยังลงการเกิดการบังเกิดการปรากฏแห่งขันการได้อายตนะพร้อม คือเป็นเรื่องของชีวิตหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาใหม่ในด้านของรูปร่างกายส่วนการเกิดของความคิดนั้นก็เป็นอีกในยะหนึ่งแต่ไม่ได้ทรงแสด ง, สดงไวในปฏิจจสมุปบาทโดยตรงที่นี้เมื่อสิ่งเหล่านี้มีหยุดซาบได้กระแสะแห่งสังสารวัฏก็หยุดไม่ได้เพราะพอมีวิญญาณก็เกิดนามรูปขึ้นมาเป็นแถวไป จากวิญญาณนามรูปอายตนะการกระทบเวทนานี่เป็นปัจจุบันผลคือผลที่เกิดขึ้นมาเห็นกันได้ในปัจจุบันคือเป็นรูปร่างกายของบุคคลแต่ถึงช่วงของเวทนากับตัณหานั้นท่านแสดงว่าช่วงตรงนี้เป็นปัจจุบันผลคือผลที่เราเห็นกันได้แต่ตัณหากับอุ ป, ปาทานคืออาการที่จิตทะเยอทะยานอยาก กับอาการที่จิตเข้าไปยึดมั่นในสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นปัจจุบันเหตุคือเหตุที่บุคคลเพิ่มขึ้นในปัจจุบันคือสร้างขึ้นในปัจจุบันให้ลองสังเกตว่าตันหานั้นเป็นเรื่องที่ค่อยๆเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นภายในจิตใจของบุคคลอย่างเมื่อ30สปีมาแล้วไอ้ตันหาทยานอยากในโทรทัศน์ก็ไม่มี หรือเมื่อ3ามปีก่อนไอ้ตันหาในพวกนาฬิกาแบบคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นบุคคลจะต้องรู้เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นใช่ก่อนแล้วตันหาในสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นเพราะงั้นตัวการที่ให้เกิดตันหาในที่นี้จึงทรงแสดงไว้ในหัวต่อที่เรียกว่าผัสสะคือการกระทบ จะต้องได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สูดดมได้ลิ้มสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ให้เกิดเป็นรูปของความพอใจไม่พอใจต่อมาตันหาก็เกิดตันหาก็เพิ่มขึ้นในลักษณะเช่นนี้และแม้แต่สิ่งที่บุคคลกลุ่มหนึ่งมีตันหาคือมีความทยานอยากนั้นคนอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่รู้สึกอะไรก็ได้แม้คนในประเทศไทยด้วยกัน สิ่งหนึ่งคนหนึ่งอยากได้เหลือเกินแต่คนหนึ่งเห็นข้าวไม่รู้อะไรจะทําไปไม่ได้มีความอยากในเรื่องเหล่านั้นตันหาจึงถือว่าเป็นปัจจุบันเหตุคือเหตุที่บุคคลเพิ่มขึ้นในปัจจุบันไม่ได้ถึงก็สร้างขึ้นในปัจจุบันเพราะว่าในอดีตนั้นก็มีเชื้อตันหาอยู่ภายในใจแล้วทีนี้ถ้าหากว่าบุคคลดับตันหาจะได้ในช่วงตรงนี้ ต่อไปเวทนาที่ประสบมันก็ไม่เกิดตัณหาเมื่อดับตัณหาได้ทุกอย่างก็ดับเป็นการล้มขบวนการของปฏิจจสมุปบาททั้งแถวคล้ายๆกับรถไฟวิ่งไปขบวนหนึ่งถอดหัวจักออกจากกีโบกี้ไม่ต้องนับก็ได้คือหยุดหมดไปไม่ได้ตัวการสำคัญจริงๆเรื่องของชีวิตที่ก่อให้เกิดเป็นความทุกข์ในรูปแบบต่างๆจึงอยู่ที่กิเลสทั้งหมด ถ้าแก้จุดสำคัญที่กิเลสได้ไม่ต้องไปเรียงลำดับไยวุ่นวายก็ได้ทุกอย่างจะหยุดหมดเลยบาปอากุศลความเกิดรุ่มเร่าร้อนทุกเวทนาในรูปแบบต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลข้อนี้พึงเห็นตัวอย่างพระอริยเจ้าคือระดับของพระโสดาบันขึ้นไปแต่ว่าที่สำคัญจริงๆคือต้องเป็นพระอระหรันต์ ที่จริงท่านยังมีอายตนะพร้อมยังมีวิญญาณยังมีนามรูปยังมีอายตนะยังมีตาเห็นรูปหูกฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสอยู่และยังมีเวทนาคือเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่เพราะว่าร่างกายในส่วนร่างกายของท่านก็ยังมีหนาวมีร้อนอยู่แต่เนื่องจากจิตใจของท่านไม่มีตัณหา เมื่อไม่มีตัณหาก็ไม่มีอุปาทานไม่มีอุปาทานก็ไม่มีภพไม่มีภพก็ไม่มีชาติไม่มีชาติชารามรณะในช่วงต่อไปก็มีอยู่ไม่ได้ส่วนรูปร่างกายนั้นท่านเรียกว่าเป็นวิบากขันคือเป็นผลที่เกิดขึ้นมาก่อนจะละกิเลสได้ก็ต้องมีการแก่การเจ็บการตายเป็นธรรมดาแต่เมื่อดับไปแล้วเนื่องจากเชื้อมันหมดก็ย้อนกลับมาดูที่ตอนต้นอีกทีหนึ่งว่าเชื้อมันหมด เหมือนกับมเมล็ดพืชที่แห้งกรอบแล้วจะนําไปปลูกอย่างไรก็งอกไม่ได้แห้งกรอบแล้วด้วยและในขณะเดียวกันก็ไม่ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยจะไม่ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมหรือว่าแห้งกรอบก็าตามแม้เพียงอย่างเดียวอย่างอื่นก็ชื่อว่าดับหมดไม่ต้องพูดกันดังนั้นเวลาแสดงคุณสมบัติของพระอระหรันต บางครั้งท่านจะแสดงว่าเป็นผู้ละบุญและบาปได้แล้วก็หมายความว่าถ้าละบุญและบาปได้ก็ไม่มีกิเลสปฏิสนธิวิญญาณก็ไม่มีบางครั้งก็เรียกว่าเพราะดับอวิชชาได้บางครั้งก็บอกว่าเพราะละตัณหาได้เพราะถอนตัณหาพร้อมทั้งบุญรากได้เพราะละอุปาทานได้เป็นต้นความหมายก็คือกันคือหมายความว่าท่านไม่มีกิเลสอยู่ภายในจิตใจ แตกการที่ใช้ออกไปในลักษณะต่างๆนั้นคือคนบางคนอาจจะเข้าใจคำว่าอุปาทานก็พูดเรื่องว่าถอนอุปาทานได้คนบางคนอาจจะเข้าใจคำว่าตันหาก็พูดว่าถอนตันหาได้เพื่อให้บุคคลเห็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการไม่มีกิเลสว่ามีความส ง, งบเย็นอย่างไรนี่เป็นเงื่อนไขาตามหลักของปฏิจจสมุปบาท ที่แสดงให้เห็นโดยนัยหนึ่งว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ทางปฏิจจสมุปาทั้งนั้นถ้าหากว่าบุคคลเข้าใจเหตุผลว่าอะไรเป็นเหตุของอะไรอะไรเป็นผลของอะไรแล้วสามารถที่จะหาความส ง, งบเย็นให้บังเกิดขึ้นแก่จิตใจของตนได้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทําความส ง, งบสืบต่อไป